พรตรัยปิฎกฉบับประชาชนอรตรัยปิฎกเล่มที่6หมวดที่สสมุดจยัคขันธกะหมวดว่าด้วยการรวบรวมเรื่องการออกจากอาบัตสังฆาทิเศสในหมวดนี้แสดงวิธีออกจากอาบัตสังฆาทิเศสโดยเล่าเรื่องพระอุทายีปรึกษาสงฆ์ว่าต้องอาบัตสังฆาทิเศสแล้วจะควรปฏิบัติอย่างไร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 ให้สวดประกาศถอนจากอาบัติให้สองต้องอาบัติสังฆาทิเศษข้อเดียวปิดไว้วันเดียวให้ขอปริวาทหนึ่งวันเสร็จแล้วจึงขอมานัดแล้วดำเนินการต่อไปตามลำดับเหมือนข้อหนึ่งสามต้องอาบัติสังฆาทิเศษข้อเดียวแต่ปิดไว้สองวันบ้างสามวันบ้างสี่วันบ้างห้าวันบ้าง ให้ขอปริวาสสองวันสมวัน4วันหวันตามควรแก่เหตุแล้วขอมานัดและดำเนินการต่อไปตามลำดับเหมือนข้อหนึ่ง 4. ต้องอาบัตสังคาธทเศษแล้วปกปิดไว้5วันขอปริวาสหวันระหว่างอยู่ปริวาสต้องอาบัตข้อนั้นอีกให้ชักเข้าหาอาบัตเดิมโดยขอต่อสง